ก็เป็นการที่จะพัฒนาการเข้าค่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะที่เราทำมาแ ล, แล้วเนี่ยก็ทำไปตามที่เราคิดว่ามันดีนะแต่เมื่อไดมาวิเคราะห์ดูแล้วนี่เรายังใช้เวลาไม่เต็มที่แล้วก็ในวิธีการรโปเทียน ก็ยังไม่ได้ถูกตอบสนองที่สมบูรณ์ปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าความสับสนมีเยอะนะครับในวิธีการเพราะแต่ละวิธีการก็ต้องการความอยู่รอดปรับปรุงแก้ไขวิธีการของตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆหือว่าหนอพุโทโธสมมาลหังแม้แต่วิธีการของพ่อเทีนของเราถ้าเราไม่วิธีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยในที่สุดคนก็จะลืมจะล้าแต่คนที่ยังไม่เข้าถึงวิธีการของพ่อเทีนก็จะตาบาั้งนั่งหุโทโธบั้งปนกันไป ที่สุดไม่ชัดอันที่หนึ่งครับเราก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนิสัยจิตใจอะไรต่างๆไม่เปลี่ยนแปลงเราก็จะไปทษโดยวิธีการหโกดเทียนไม่ดีไม่ถูกจริตอ น, นั้นเป็นเพียงข้ออ้างนะครับเป็นเพียงที่ถี่มันไม่เปลี่ยนม่นเคยเห็นอย่างไรก็จะเห็นอย่างนั้นเราก็จะไม่ได้ผลซักวิธีกา ร, ลรเลยทีนี้เพราะฉนั้นเองเราต้องอย่าลืมคอนเซปต์วิธีการโคดเทียนว่า คือถือเอาการเคลื่อนไหวทุกส่วนของของชีตเม่วะนอพุโทโธสมมระหังเนี่ยรวมเข้ามาเป็นวิธีการเคลื่อนไหวทั้งหมดถ้าเราเคลื่อนไหวชัดเจนถูกต้องอย่างเดียวมครัเราได้ทําทุกวิธีในในวิธีการนั้นดังนั้นเราก็ไม่สงสัยเรื่องความถูกเรื่องความการเคลื่อนไหวเนี่ยแต่ความถูกต้องเราต้องสงสัยอยู่แล้วว่าเราทําได้ถูกต้องหรือเปล่าตรงนี้เราก็ต้อง คำนึงถึงความแตกต่างแต่ละคนประสบการณ์การศึกษาศรัทธาความเพียรที่มีต่อสายงานและมีต่อครูบาอาจารย์สิ่งตัวนี้จะเข้มข้ น, นและเบาบางและอ่อนแตกต่างกันไปนะครับตามวิบากกรรมแต่ละคนเดังนั้นในเที่ยวนี้ผมก็อยากให้แต่ละคนมีสมุดฉีกพกแบบนี้นะฮุนและเล่มเพราะว่าผมไม่สามารถจะตามไปสอบประหลมได้ทุกที่ที่ท่านปฏิบัติ แล้วก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนที่ปฏิบัติแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีไปเนี่ยมันมีการตรวจสอบถูกต้องหรือเปล่าเพราะนั้นตัวสมุดพกนี่จะช่วยได้ถ้านคือมีอะไรบันทึกลงไปตรงตรงหมายความว่าวันนี้ผมทำไม่ได้ผมขี้เกียจผมเบื่อผมงงเหงาดูวนี้ผมตั้งใจทำแบบนี้ที่ท่านแนะนำแล้วผลออกมาแบบนี้มันผิดหรือมันถูกแล้ววันนี้ผมมีข้อสงสัยว่าอย่างนี้เขเขียน ถ้าถ้าเป็นบันทึกส่วนตัวเกี่ยวกับความก้าวหน้าถอยหลังประจาวันให้ด้านหน้านี้นะครับแต่ด้านหลังนี้จะเป็นการบันทึกเรื่องคำถามประจวันวันนี้และแต่ละท่านมีคำถามอะไรแล้วก็ในแต่ละวันมีความก้าวหน้าความท้อถอยความถอยหลังอย่างไรคือถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราก็ไม่สามารถจะเช็กรายละเอียดได้ในการเรามาปฏิบัติมาเข้าค่ายก็ มานั่งหลับตาสบายๆพักผ่อนสบายๆ ก, กลับไปก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงท้อถอยขี้เกียจเบื่อนายอยากสึกราคาจัดกินมากเหมือนเดิมไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ทําให้เราเสียวเวลาชีวิตของเราแทนที่เราจะอายุพรรษามากขึ้นความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติเรามากขึ้นความการรู้จากสิ่งใหม่ๆพัฒนาสัพยภาพ ถ้าได้สุขภาพดีขึ้นแล้วก็สภาพจิตสะอาดลิสุดผ่องใสมากขึ้นพฤติกรรมเปลี่ยนไปเป็นที่ตั้งเ ป, เป็นที่ทางของศรัทธาผู้ได้พบเห็นการพูดจาการนิสัยอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าพัฒนามันจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ถ้าไม่พัฒนามก็เหมือนเดิมอยู่ซึ่งเราจะเสียเวลาชีวิตของเราชีวิีของเราผ่านไปแต่ละเวลานาทีแลออ้วคืนไม่ได้นะครับถ้ามันไม่มีการพัฒนาเนี่ยก็ถือว่าเราการบวชของเราก็เป็นหมัน ไม่ไม่ไ ม, มีมรรคผลเป็นแก่นสารก็เสียได้วิบากกรรมพกติดตัวไปไม่รู้กี่กพิชาต์ที่จะใช้นีกันหมดนะครับเราต้องเล็งกลัวในเรื่องอย่างนั้นเพราะนั้นเองก็วันนี้จะให้ทางฝ่ายแม่ครัวฝ่ายสื่อจะหาสมุดพวกมา น, นี้ให้ตามจํานวนของพระและโยมด้วยนะไม่ใช่เฉพาะนะโยมด้วยนะปฏิบัติโดยยุ้หมายเขาว่าเข้ามาในค่ายเที่ยวเนี้ยต้องไม่เสียเวลาต้องมีอะไร ติดไม่ติดมือไปเราเวลาค่ายต่อไปปีหน้ามันจต้องพัฒนาคมนี้อีกระดับหนึ่งไม่ใช่ปีไหนก็ซ้ําซากแต่ของเก่าของเดิมมันไม่ได้นะครับวิธีการวัฒเทียนเราก็จะหดหายสลายไปในที่สุดเ ม, มื่อมีเม่มีการพัฒนาปัจจุบันวัตถุนิยมที่มันพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเพราะอะไรเพราะเขามี ก, การติดตามมีการพัฒนาทุกขั้นตอนของกันขอการดำเนินการแต่ที่ได้รับนานะมาทําเราจะทําไป แต่ว่าไม่มีขบวนการขั้นตอนมันก็จะหมดสภาพในเรื่องของศาสนาพุทธศาสนาขาบว่าพุทธศาสนาไม่เห็นมีอะไรเห็นภาพบทก็มาลายวันณพันปีก็เหมือนเดิมแสดงว่ามีการพัฒนาอะไรในที่สุดเขาก็สรุปเอา ง, ง่ายๆว่าพุทธศาสนาใช้ไม่ได้แต่คงจริงกืพุทธศาสนาดีที่สุดแต่ว่าขบวนการขั้นตอนในการพัฒนาเราไม่ค่อยสนใจกัน ดังนั้นเองก็วันนี้ทางฝ่ายวาสุกวสิกานะประจัดทานสมุดพวกเล่องนี้มาให้จำนวนเท่ากับสมาชิกที่อยู่ที่นี่แต่สำหรับคนที่อยู่ค่ายนู้นเขาก็จะมาศึกษาช่วงหลังสิบวันนั่นแหละที่เขาจะอยู่ค่าย ในช่วงที่นที่คนที่อยู่ทั้งเดือนเนี่ยก็จะมีโอกาสศึกษาได้มากกว่ากับหลวงพ่อเพราะฉะนั้นเองก็อยากจะให้ทุกอย่างเป็นกระบวนการขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับเราคงจะมั่วๆไม่ม่วเมือนมื่มก่อนแล้วกันเถอะก็อยากจะให้มีการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็การตรวจสมุดพกอั น, นี้ก็ผมก็จะถ้าตรวจตัวเองไม่ทันก็ยินดีครูบาอาจารย์ช่วยดูแลด้วยแม้กระทั่งญาติโยมที่มีวรสการ การปฏิบัติที่มากกว่าเราก็จะช่วยได้ในเรื่องิชนสมุดทั้งยามสิเรื่องันจะตรวจละเอียดทั้งหมดคนเดียวได้ไงนอันนี้ผมก็จะมีวิธีการนะครับจะให้คนอื่นได้ช่วยไยเอาประเด็นประเด็นสาคัญเข้ามาตรวจสอบอันนั้นก็ในแต่ละวันในช่วงเย็นก็จะนำเอาสมุดบันทึกมาตรวจอตอนอมรสกันใ น, นช่วงเย็นช่วงเช้าก็รับเอาไป ช่วงเย็นก็นไม่ส่งหรือบางทีเออไม่ใช่ดิต้องเอามาในช่วงเย็นผมผมจะไปตรวจในช่ชวงเช้าอีกวันหนึ่งคือวันเว้นวันนะครับการตรวจสมุด <c oughs> ไม่ใช่ทุกวันถ้าตรวจทุกวันผมก็ตรวจไม่ทันรางวันเว้นวันวันนี้ตรวจทั้งวันพรุ่งนี้ก็เอามาวิจัยกันต่อไปโดยคดนี่เราตั้งชื่อว่าคปรมัทธภาวนาธรรมวิจัยนะก็จะทาให ถูกต้องถ้าผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยพราะท่านเสียเวลากับผมผมถือว่าผมไม่ทําหน้าที่ตรงนี้ให้สมบูรณ์อันนี้ก็เรื่องแรกนะครับที่นําเกินเรื่องที่สองวันแรกได้สวดเรื่องของสติปัฏฐานสูตรเพราะฉะนั้นในวิธีการก็คือเราจะนําแนววิธีการโคเทนเป็นหลัก การใช้หลักขงการเคลื่อนไหวและหลักของการเคลื่อนไหวก็มีคอนเซปต์หลักเอาไว้ว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนอีบทให้สบายอันที่หนึ่งอันที่สองไม่หลับตาอันที่สามก็คือไม่กําหนดจุดก้องปุปม่ปมปองวิธีอื่นเข้ามาเช่นมาเดินหนอบ้างมานั่งพุดโธบ้างเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็ไม่เอาะอนะครับหมายความว่าปรับทั้งหมดทุกอย่างมาเป็นอันเดียวกันคือการเคลื่อนไหวเพื่อเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดชัด <c oughs> แต่ถ้าหากว่าเราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนก็เราอาจจะขาดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติห้าประลักนักปฏิบัติทุกท่านมีคุณสมบัติอยู่ห้าประการนะฮะ<ม>คือเขียนไว้ทีหน้าสมุดเลยประการที่หนึ่งต้องมีความรักความศรัทธาที่จะทําถ้าเราไม่มีความรักความศรัทธาที่จะทําร่วมกันงานนี้ก็ไม่ไม่ได้เกิปดประโยชน์อะไรกับท่านนะสองมีความขยันหมั่นเพียรที่จะทําขวนขวายหาวิธีการ ทำทั้งในคุณสมบัติหาประการผมจะอธิบายในรายละเอียดในข่าวต่อๆไปก็มีมีรายละเอียดเยอะนะครับอันที่สามทําด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้ทําด้วยความหลงหรือความาคลั่งไคล้หรือมาหาความสุขไม่ใช่ตื่นเนื้อตื่นตัวอันที่สี่มีความตั้งใจมีความตั้งใจที่จะทําตั้งใจใส่ใจที่จะทําอันที่ห้าคือมีการตรวจสอบ มีการตรวจสอบตัวเองด้วยแล้วก็แม้กระทั่งผมก็ถูกถูกตรวจสอบด้วยว่าผมได้ทําหน้าที่ของผมดีแ ล, แล้วหรือยังก็อาจจะต้องตรวจสอบด้วยพระอาจารย์นำผมมาอยู่กับป่ากกับภูแล้วไม่เห็นว่าจะต้องตรวจสอบอะไรไเรื่องก้าวหน้าภูพวกผมไมปเสียเวลาผมได้อะไรสามารถวิจารณ์ได้อย่างนี้เลยนะครับผมก็สามารถจะวิจารณ์ท่านได้ถ้ามาแล้วไม่เห็นตั้งใจทําอยู่วันนี้ก็เดวราจะตรวจสอบซึ่งกันและกันลักษณะนี้ตรวจสอบตัวเองด้วยนะครับอันนี้คือหลัก คุณสมบัติหประการก็คือหลักอีซห้านั่นเองนะครับเมื่อเราตรวจสอบทั้งห้าประการนั้นเราก็จะเกิดผลเรียกว่าพระห้าเพราะนั้นในสติปัฏฐานทั้งหมดในหมดโพธิปัจกียธรรม ท, ทั้งหมดเราจะนำมาใช้โพธิปัจกียธรรม3าสิบเประการนะครับมีสติปัฏฐานสสมัติประทานสยอิทธิบาท4 e c อซีห้าพระห้าโพชงเจตอริมักมีองแปด รวมแล้วสามสเกตรประการจะพยายามนํามาใช้ก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่เป็นปริยัตช่วงสั้นในวิธีการของพระเทียนท่านไม่มีปริยัตแต่ยุคสมัยใหม่เนี่ยเราจะต้องเอาทั้งปริยัตปฏิบัติปฏิบัติมามาเดินด้วยกันเพราะคนทุกวันนี้เป็นคนที่เขามีการศึกษาไปยุคสมัยใหม่เราจะมั่วไม่ได้เมื่อเถิดไอ้สิ่สภาวะที่เราพูดไปจะต้องมีตัวปริยัตลองรับ ปรมามัดที่เราพูดไปจะต้องมีสมมุติลองรับะจะมั่วไม่ได้เพราะเธอมันมีตัวยินญาติกันที่มันเป็นอย่างนี้เพราะตัวนี้เป็นเป็นอย่างนี้เพราะตัวนี้ทั้นั้นเมื่อท่านได้หลักได้แนวอี้ถ้ท่านเป็นครูบาอาจารย์ต่อไปท่านก็จะมีหลักเขมีหลักแล้วนี่คนที่มีการศึกษาคนที่มีหลักเขาก็จะเชื่อถือว่าเราไม่มั่วไปตามอารมณ์หรือตามความคิดของเราซึ่งเรื่องปริยัติก็ไม่ใช่เรื่องยากครับเราก็มาเราก็สวดทุกวันอยู่แล้วนะ สวดทุกวันสติปรญญาสตรนี่ผมแทบจะสวดได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะวิสวดทุกวันถ้าสวดไปแต่คนสวดแบบไม่มีสติสวดไปแล้ววันพันปีก็จําอะไรไม่ได้เพราะสวดแบบลอยๆสวดแบบผ่านๆมัจะจำไม่ได้แต่สวดแล้วใส่ใจทุกตัวอักษรใส่ใจทุกข้อความแล้วใส่ใจทุกความหมายที่มีอยู่ในนั้นแล้วจะจําได้หมดเลยครับมันจะไม่ยาก แต่สวดลอยๆไปแต่ละวันสวดผ่านไปแต่ละวันแวงแวงแวงไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นสวดเป็นปีๆเป็นร้อยปีก็ไม่จำไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนสําคัญที่เราต้องใส่ใจนะครับอย่างช่วงแรกที่สุดท่านบอกเอกายโนเอกายโนมโคสัตตานังวิสุทธิยาโสกปฏเทวนังสมติกมายะทุกขโทมนัสสานังอัถังคมายะยายัสสัธิขมายะนิพพานสัจสัิกิริยาย ะ, าายะาาาชั้ยจุดแรกวักแรกที่เราสวด ว่าหนทางนี้เป็นหนทางเพียงทางเดียวเท่านั้นนะสตานางวิสุติยาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของจิตใจของผู้ปฏิบัติแต่ในนั้นใช้แค่ว่าสัตว์ทั้งหลายนะครับซึ่งเป็นการรวมทั้งคนมีทั่วไปนะเพราะว่าเราถือว่าคนทั้งหลายที่ยังไม่มีการที่ยังใช้ชีวิตแบบสัญชตาตญาณอยู่ท่านถือว่าเป็นสัตว์อยู่นะครับ แต่ถ้าเมื่อใดเราพัฒนาจากสัญชตาตญาณเป็นปยายานัญญาญาณจะขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเรียกว่าโพธิสัตว์เมื่อเราใช้ปัญญาญาณได้ถูกต้องตามนั้นเราเลื่อนจากโพธิสัตว์ขึ้นมาเป็นอริยบุคคลนะครับขึ้นมาตามลาดับเพราะฉะนั้นวิธีการหลวงพ่อเทียนจึงพยายามที่จะเปลี่ยนสัญชตาตญาณให้เป็นปยายานัญญาญาณให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นปัญญาญาณไม่ได้เราก็เท่เพียงแต่เป็นโพธิสัตว์ คือข้องอยู่ในโพธิสัตว์แปลว่าสัตวานี่แปลว่าข้องนะครับข้องเกี่ยวข้องแวะในกรรมคุณทั้งหลายเรียกว่าเป็นสัตว์อยู่แต่พอเรามาเกี่ยวข้องกับการรู้ความรู้ที่สูงขึ้นปัญญาที่สูงขึ้นเรียกว่าโพธิสัตว์โพธิแปลว่าปัญญาเครื่องแต่สรู้นะครับพ อ, อาจิตของเรามาเกี่ยวข้องวิธีการแต่สรู้ของผู้ที่เจ้าทุกพระองค์ของพระหันทุกพระองค์ แล้ ว, วท่านตัดสูอย่างไรท่านหมดทุกอย่างไรถึงแม้ว่าเรายังทำไม่ได้แต่เราเราสนใจเราใส่ใจที่จะศึกษาว่าเท่านบรรลุทำอย่างไรเออท่านเข้าถึงทำอย่างไรเอาเรื่องเนี้มามาค่องแวะอยู่ในสำนึกอยู่เสมอถ้าเรียกว่าเป็นโพธิสัตว์คือค่องแวะในความรู้ในเรื่องการตัดสูแต่ถ้าว่าค่องแวะในความรู้ทั่วไปความรู้เรื่องศาสตร์นศาสตร์นเวียศายศสตร์เกษตรศาสตร์ธรรมศาสตร์ หรือนิติศาสตร์อะไรไปข้องวแวดศาสตร์เหล่านั้นยังไม่เชื่อว่าเป็นโพธิไม่ใช่ว่าเป็นโพธินะโพธิคือหมายความว่าเป็นพุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุธรรมเกี่ยวข้องกับการชําระกิเลสเกี่ยวข้องกับชําระอาสวะเกี่ยวข้องกับชําระสัญน์ทั้งหลายเนี่ยถ้าจิตใจของเราเกี่ยวข้องเอ๊ะมันคิดเพราะอะไรเอ๊ะทำไมต้องคิดกําหนัดเพราะอะไรทําไมต้องกําหนัดเอ๊ะมันโกรธทําไมทำไมต้องโกรธ เอ้มันสงสัยทำไมทำไมต้องสงสัยพยายามศึกษาหาคำตอบในสิ่งเหล่านี้ถ้าเรียกเป็นโพธิสัตว์นะครับถ้าเมื่อเราได้คำตอบชัดเจนเมื่อไหร่ถือว่าเราพ้นจากความเป็นโพ ธ, ธิสัตว์ขึ้นเป็นอริยบุคคลเอ๊ะทำไมเราง่วงท่านต๋งสงสัยตัวเองไหมทำไมต้องง่วงเคยหาคำตอบไหมง่วงได้ทุกวทุกวันะเคยเคยสงสัยไหมครับเคยนะแต่หาคำตอบพอได้ตอบ ไ, ได้คําตอบแล้วมันจบไหมความง่วงจบไหมนัม่นแสดงว่าหมดหมดสงสัยในเรื่องง่วงนะ แต่ถ้ามันยังง่วงอยู่แสดงไม่จบนะไม่จบนะเนี่ยคามันมันเป็นพิสูจน์เข้าไปกับของจริงที่มันเกิดนะครับอถ้าหากว่าไปพิสูจน์กับของไม่จริงมันต้องคิดนั่งอันนั้นก็เป็นปริยัตธรรมดาแต่ปริยัตมีผลว่าไอ้ง่วงมันเกิดจากอะไรลรมหาคําตอบง่วงมันเกิดจากอะไรก็วิจัยเรื่องง่วงกับเอาเรื่องง่วงขึ้นมาเป็นตัวตั้งละ่ะอ๋อมันง่วงเพราะเราเพลินแล้วเราเพลินเพราะอะไร บางครั้งเราไม่ได้เผลินะแต่วันนี้ฉันเข้ามากไปหน่อยมันเล่นหนักอาหารหนักมากไปหน่อยมาเลยง่วงอันนี้มันเพลนตอนที่เราคือกินนี่เขามันไปเพลนตอนนั้นพอเผลอเนี่ยตอนกินปั๊บมันก็มีผลให้เราง่วงตอนตอนที่เรามาปฏิบัติหมายความว่ามันไม่ใช่เพลินในขณะนั้นแต่มันเพลนมาก่อนหน้านั้นเพลนในเรื่องกินเพลนในเรื่องสนุกสนานเพลนในเรื่องหลับเรื่องนอนเล่นอย่างเงี้ยมันก็นําไปสู่ความง่วงแหละเพลนในรูปเผลอในเสียงเพลนในกลิ่นเผลอในรสเผลอในสัมผัสเพลนในอารมณ์ ก็นำไปสู่ความง่วงได้ทั้งหมดเราก็ลุ่มหาแล้วเอ๊จะทําังไงพีนไม่เพลินในรูปไม่เพลินในรูปไม่เพลินในกลิ่นไม่เพลินในเสียงไม่เพลินในรถไม่เพลินในสัมผัสไม่เพลินในอารมณ์พยายามถอนความเพลินเหล่านั้นออกความง่วงก็จะหายไปแต่เรายังเพลินอันใดหนึ่งไม่ื่อเขาตัดความเพลินนั้นตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่เรายังเพลินในอารมณ์ อย่างนี้ก็ยังนําไปสู่ความง่วงได้อยู่ทีนี้ถ้าเพลินเนี่ยมันจะอาการเเพลินจะเป็นอาการปลายเหตุใช่ไหมครับเออไม่ใช่อาการง่วงเป็นอาการปลายเหตุต้นเหตุคือความเพลินทีนี้เราจะไปตัดแต่งง่วงอย่างเดียวไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นปลายยิ่งตัดมันก็ยิ่งงอกยิ่งตัดมันยิ่งงอกเราควรตั้งต้นตัดที่เหตุได้ตัดความเพลินเออเราไม่เพลินนะขณะนั่งผมก็รู้ตัวเนี้ยแต่ทำไมมันง่วงมันไม่เพลินขนาดนั้นก็ไม่เพลินในตอนทานกินอยู่เพลินแต่ตะกันนอนฮ เพลินจะออกมาเป็นอาการหา่าใช่ไหมท่านตออ๋องเออนั่นนะมันก่อนที่จะหา่ามันอาการเป็นไงได้ศึกษาไหมนั่นนะสติที่เราปฏิบัติมาแสดงมันไม่ถูกเพราะมาศึกษาที่เหตุปฏิบัติมาทั้งนานแต่ว่ายังจัดการกับความมุ่งความม่วงเกิดมาจากอะไรมมเกิดมาจากเพลินเพลินเกิดมาจากนันที่แปลว่าเพลินครับพระพุทธเจ้าท่านบอกตัดให้ละนันทินันที่ปลว่นานเพลินที่นี่เพลินมาจากอะไรเพลินมาจากความพอใจความพอใจเกิดมาจากความสบายความยินดี มันจะตั้งต้นแต่เหตุต้นมาเลยนะเพราะความสบายทางกายโดยที่ไม่ได้ปรับออกเราไปแช่ความกับความสบายทางกายก็ให้เกิดความยินดีพอใจออกมาเป็นโสมนาาัสเวทนาใช่ไหมครับ<ม>พอเราเพลินในโสมนาาัสเวทนาก็ไปเป็นนันทิคือเพลินในอารมณ์คือเรียกว่าอภิชาครับที่เราสวดกายกายานุปัสสีวิหันติอาตาปีสัมปชันโอสติมาวินัยโลเกออภิชาธุมณัสสังครับ คือฉัต้องจัดการในตัวความเพลินในอารมณ์คืออภิชาบางทีมันไม่เพลินในอภิชาก็ง่วงได้นะแต่เพลินในความไม่ไม่สนุกอะ่ะแล้วก็เกิดปฏิฆาแล้วปฏิเสธพราะปฏิเสธเพราะฉันไม่สนใจเพราะไม่สนใจความเพลินมาได้อีกครับเพราะด้วความเพลินมาได้ทั้งอภิชาและโทูปนัดมาได้ได้วยความพอใจแล้นไม่พอใจไม่พอใจก็เพลินได้มันเพลินในความไม่พอใจคือปฏิเสธ แตเพลินในความพอใจก็หมายความว่าอินเข้าไปในเรื่องนั้นคาว่าเพลินนี่คืออินในภาษาปัจจุบันอ่ะอินในเรื่องนั้น น, นอินในเรื่องอยู่อื่นในเรื่องกินอินเข้าไปก็เลยลืมครับพอลืมแล้วก็เพลินลืมตัวนะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นในวันนี้ขอให้ไปสังเกตดูว่าตัวไหนที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติโดยที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติมีอะไรบ้างหนึ่งเช็คตัเองเนอะไรมา่ก่อนจากการตัวนั้น ถ้าตัวไหนมาก่อนมาปรากฏเป็นเหตุล่ะสมมติเราความเพลินไม่ได้มาแต่ความขี้เกียจความขี้เกียจนี่เป็นนิวรณตัวไหนความขี้เกียจพอมันเพลินก่อนมันมาหาเป็นความขี้เกียจเที่ยวมันจะออกมาสองอย่างถ้ามันเพลินแล้วผลมันออกมาไม่เป็นความขี้เกียจก็เป็นความง่วงถ้าไม่เป็นความง่วงก็เป็นเป็นความมึนงิดต่อมาก็เรียกว่าอพยาปาทะนะครับเพราะนั้นแต่ละตัวเนี่ยจะมีเหตุแต่ว่าการที่เราใส่ใจต่อเหตุและสืบหาเหตุของมัน ผลมันต้องปรากฏก่อนนะถ้าเราไม่มีผลปรากฏเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเหตุมจาจากไหนอย่างสมมติว่าง่วงก่อนผลบ้านใกล้จะมาเปิดง่วงเน่ยคือมาจากหาเหามาจากเพลินทีเนี้ยมันจะมาตามลาดับนะทีนี้ตัวปัญญาของเราที่ปฏิบัติสติ ป, ปัญญาของเราที่ปฏิบัติมันจะสืบทอดเข้าไปตรงที่ต้นต้นตอของมันนะครับผลผลุผลุันผลทางยาผลทางกลางผลละเอียดก็คือตัวเหตุนะเหตุ อยาเหตุกลางเหตุละเอียดก็สิบลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวรู้สึกตัวที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เราเคลื่อนไหวคือตัวที่จะไปเปลี่ยนเป็นปัญญาแต่ตัวที่ไปตรวจสอบที่คือตัวปัญญานะครับตัวตรวจสอบจะเป็นตัวปัญญาแต่ในกรณีที่เราง่วงเราเหงาโดยที่มันมาจากการเพลินสาเหตุมาจากอะไรอีกสาเหตุความง่วงเหงาถ้ามันไม่มาจากการเพลินมันก็จะมาจากหนึ่ง ความเจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีอันหนึ่งเนะี่ยทำให้ประคองความตื่นรู้ไม่ได้สองอาหารเมาอาหารนะมัตตะสัมผัโตความเมาอาหารสามถ้าประทานยาบางอย่างที่มันมีฤทธิ์ในการกดประสาทสี่เกี่ยวกับอารมณ์เมื่อคืนนี้นอนหลับไม่สนิทนะครับอาจจะหนาวมีใขรหนาวเมื่อเมื่อนเะยน็นเขาผห่มไม่พอมีไหมครับเพราะวันนี้จะได้หามาให้พร้อม มีไหมกมีนะครับเ้าใหม่ทุกมาเมื่อวันท่านอีกคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายจัดหานะคุณราชันอ่าคุณอิคุณราชันคุณวิชัยนเะพราะผมไม่พอนะเมื่อวานเมื่อวานเย็นหลวงพ่อเลยเรียกหาผืนหนึ่งนะวันก่อนหลวงพ่อก่อ น, นอนไม่สนิทเหมือนกันอากาศเย็นนะเพราะนั้นก็เพราผมเรามีอยู่ในนั้นเดี๋เอามากองเอาไว้ครับมากองอไว้ในช่วงหน้าฟเย็นนะนะเอาขาดห่มทข์ก็จะหยิบเอาไป แต่ว่าอย่าให้มันเกินนะครับเกินจําเป็นก็ก็คัดออกอันนี้เราก็ต้องหาสาเหตุครับเมื่อเมื่อคืนนอนไม่สนิทเพราะต้องตื่นบ่อยๆเพราะอากาศเย็นนะครับสาเหตุมันก็วันนี้เราทําให้เราง่วงแล้วทั้งที่เราไม่เพลินนะกินเข้ากินน้อยแต่ทําไมมันง่วงเพราะเมื่อคืนนี้นอนไม่สนิทเนี่ยจะเห็นว่าทา่านสองเมื่อวานนี้เดินทางทั้งวันเมื่อก็เลยเหนื่อยใช่ไหมหลับไม่ค่อยสนิทเมื่อคืนวันเช้านี้เรามานั่งง่วงแก้ยากเลยใช่ไหเนี่ย เราต้องหาสาเหตุเนะี่ยเพราะฉะนั้นเราเราจะบอกว่าเออมันผมก็ไม่ได้เพลินทำไมมันง่วงกว็ อ, งอย่างสามสี่สาเหตุมาหนึ่งอะไรนะสุขภาพไม่ดีสองกินมากเกินไปมออาหารสา<อ>มนอนไม่สนิท น, นไม่สนิทสี่ยาบางอย่างเกี่ยวกับยารักษาโรคบางตัวที่เรากินเนี่ยนะบางคนเท่านั้นอนะันนี้มีนิตกฎประสาทให้เราควบคุมเกิไม่ได้ห้าก็คือ ขณะปฏิบัติแล้วเพลินในการปฏิบัติมีหสาเหตุนะครับแล้วก็ตรวจที่ได้สาเหตุไปเราจะแก้ที่ละอย่างละอย่างไปอันนี้คือเพราะนั้นกิเลสแต่และตัวอุปสรรคแต่ละอย่างมันต้องมีสาเหตุแต่ว่าเราจะเข้าไปหาสาเหตุมันได้ละเอียดลึกขนาดไหนเราจะแก้ได้ถูกหรือไม่ตัวนี้ต้องใช้ปัญญาแล้วปัญญาก็ได้จากการเจริญสตินี่แหละสติสัำเน็จที่เราทําตลอดเวลาถ้าทําถูกต้องมันจะเกิดปัญญานะครับ แต่ทำไม่ถูกต้องปัญญาก็ไม่เกิดพอปัญญาไม่เกิดเราก็ไม่สามารถไปตรวจสอบหาสาเหตุของอุปสรรคที่เกิดกับเราในขณะปฏิบัติเราก็ทําครูซี้มั่วๆไปงั้นแต่ละวันมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับไปติดสงบติดสุขติดสบายสึกก็ไม่เกิดปัญญาพอปัญหาเกิดขึ้นก็แก้ไม่ตกเพราะเราไม่รู้เหตุของปัญหาดังนั้ น, นการมาเข้าค่ายก็คือมาการศึกษาเหตุของปัญหาแล้วมุ่งแก้ที่เหตุ ผลที่แก้มันร้อยวันพันปีก็ไม่จบครับเพราะมันเป็นผลเสแล้วอ่ะมันเป็นผลเสแล้วเหมือนต้นไม้ผลละไม้มันสุกแล้่นี่มันเป็นปิ้วเป็นแมงเป็นเสียจะไปแก้มเป็นผลละไม้ที่ดีๆก็ไม่ได้ครับเพราะมันมันเป็นเป็นผลละเหตุมาจากตอนไหนก็ไม่รู้เราไม่ได้สํารวจดังนั้นเองการแก้ปัญหาในแง่ของการปฏิบัติต้องไปดูที่เหตุที่เราได้ทราบจากคาถาของพระอาจาริใช่ไหมครับ กล่าวกับภาษาในบุตรว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระพุทธองค์หรืออาจารย์ของเรามีปกติตรัสแต่เรื่องเหตุของสิ่งต่างๆไม่ได้ตรัสเรื่องผลเมื่อการปฏิบัติเหมือนกันผลออกมาทําให้เราเบื่อทำให้เขี้เกียจทําให้หุ่นวายทาให้อึดอัดขัดเคืองทําให้ขัดแยง้งทำให้มีความหงุดหิดความรังเลสงสัยฟุง้งซ่านตรงนี้เป็นผลทั้งหมดเลยที่เราเรียกนิวรณ์ผลตัวนี้ที่เป็นนิวรณ์ไม่จะออกมาเป็นอุปสรรค ต้องตามปฏิบัติเพราะฉะนั้นทุกวันทุกงานที่เรามาเนะี่ยเจอทุกเรื่องอนะเจอทุกงานนะครับอุบาสกเหล่านี้ดังนั้นเราจะมีการเข้าไข่เกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อมามีเวลามาตรวจสอบหาสาเหตุของผลต่างๆที่เราได้รับมาแล้วก็แก้ไขมันซ้ำซากไม่เคยจบใช่ไหมท่าสักอืมแค่อยู่นั้นไม่เคยจบเลยเนะ่ มัวขมัวมันเคยเกิดกี่ครั้งก็เกิดอย่างนั้นความขี้เกียนมันเคยเกิดยีงก็เกิดอย่างนั้นความราคากําหนังมันเคยเกิดยังไงก็เกิดอย่างนั้นความหมูดหมีขัดแย้งมันเคยเกิดยีงก็เกิดอย่างนั้นความฟุ้งซ่านมันเคยเกิดยังไก็เกิดอย่างนั้นแต่เราไม่เคยใส่ใจหาสาเหตุมาเลยยริงครับมันก็เทีวไล่เทีคือปฏิบรรยายอย่างนั้นมันก็ไม่ก้าวหน้าสิครับเพราะอะไรเพราะเราขาดความมั่นใจขาดความมั่นใจว่าสิ่งที่เราตัวที่เป็นผลเนี่ยคอยมาลุกกนจิตใจเราอยู่เอ๊เราจะไปสอนเขาปฏิบัติธรรม ให้เราก็ยังทําไม่ได้เราก็เกิดเกิด อ, อะไรเกิดวิตกเราก็ไม่มั่นใจตัวเองยิไปสอนให้เขาละความ ง, ง่วงไอเราก็ยัง ง, ง่วงอยู่ไปสอนเขาได้ไงมัน ก, ก็ไม่กล้าสอนอใช่ไหมยิ่ไปสอนให้เขาระราคะไอเราก็ยัง ล, ลาคาไม่ได้อยู่ยิ่งไปสอนให้เขาละราคาได้ไงมันก็ไม่กล้าเลยครับ <c oughs> เกิดความไม่อาถารขึ้นมาเพราะ <c oughs> เพราะว่าไม่ไม่มั่นใจในผลการปฏิบัติที่มันเกิดนะครับ แต่พอเราได้พิสูจน์หาสาเหตุของนิวรณและกิเลสแต่และตัวได้ชัดเจนแล้วเราถอนมันพอถอนมันออกปั๊บสมมุติเราถอนความขี้เกียดออกได้เนี่ยมันก็มั่นใจแล้วครับแล้วก็จะสอนดึกดื่องหมอที่ฉันจัดการกับความขี้เกียจได้ฉันทําอย่างนี้นะก็เอาเรื่องนี้เดี๋ยเขาไปสอนเขาไม่ต้องไปเอาธรรมะเอาศัพท์บาลีอะไรที่ไหนที่ที่เราจํามาหรอกครับแต่เอาสภาวะที่เราไปจัดการได้ในแบบไปสอนเขาไปบอกเขาะหรือความง่วงอย่างเงี้ยเราแก้ไขมันได้ ว่าเด๋ยวี้ฉันไม่กลัวนะความง่วงแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันไม่มีความง่วงฉันยังมีความง่วงอยู่แต่ฉันแก้ไขมันได้ทุกครั้งอย่างนี้ก็เอาไปสอนได้นะครับเพราะว่าเราเราแก้ไขได้แล้วถึงง่วงก็เหมือนไม่ง่วงพราะเราแก้ไขมันตกใช่ไหมครับแต่ถ้าง่วงเราแก้ไขไม่ตกดิ่งก็ถือว่ามันมีอิทธิพลตัวเพราะนั้นความง่วงนี่มันจะหมดได้ตรงนู้นนะต้องถึงกับอนาคามีภูมินะครับไม่ใช่ธรรมดานะความง่วงมันหายได้อะความฟุ้งซ่านอนาคามียงฟุ้งซ่านอยู่นะครับอุทจักมานะอุทจักวิชาใช่ไหม ที่พระอนาคามียังลาไม่ได้ความถือเนื้อทุก ต, ตัวพระอนาคามียังมีอยู่ความฟาุ้งซ่านแต่ฟุ้งซ่านพระอนาคามีไม่เหมือนฟุ้งซ่านแบบเรานะฟุ้งซ่านว่าเอ๊ะวันนี้ฉันจะสอนอะไรฉันจะบอกอะไรฉันจะแนะนําคนนี้ได้ยังไงคนนี้มันไม่ดีอย่างงี้จะคิดหาวิธีการคิดหาวิธีแก้ไขคนอื่นก็ถือว่าเป็นความฟุ้งซ่านของพระอนาคามีอยนะครับนะคือบางทีก็คิดหาอุบายต่างๆอย่าทเลอุทั จ, จักและอวิชชาความหลงลืมของพระอนาคามีก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ ถ้าหากว่าคนไหนนอนไม่หลับเมื่อคืนเนี่ยวันนี้อนุญาตให้งหีบได้นะครับเพราะงั้นมันจะ ง, ง่วงทั้งวันเนี่ยมันจะไปเป็นผลทบ ท, บ ท, บทบุบกับไปเลยถ้าแก้ไขไม่ถูกเหตุนะครับมันก็ไปนอนหลับให้เต็มที่เลยวันนี้นะทาเมื่อคืนไม่นอนแล้าผมไปพบใส่ผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะมันเป็นอย่างนี้แล้วนะก็คุณนอนไม่สนิทวันนี้เดี๋ยววันต่อไปคุณนอนไม่สนิทอีกเดี๋ยวมีปัญหาให้เกิดความไม่สบายนะครับปวดหัวเครียดอึดอัด มันก็จะเป็นผลสืบสืบไปความไม่สบายมามาเยือนพราะความไม่สบายมาเยือนเนี่เยเราตั้งใจงไงก็ไม่ไหวแล้วมันรวนแล้วทีนี้เครื่องมันรวนตอนนี้ก็พักเครื่องได้ครับในช่วงที่มันเป็นแต่เราแก้ไขไม่เต็มเต็มที่เนี่ยคือผลที่ออกมาที่มันเป็นลบเนี่ยมันมีเหตุเข้ามาเต็มที่แล้วไปแก้เหตุตรงนั้นไม่ทันแล้วครับเราก็ต้องมาแก้ที่ผลแก้ที่ผลก็หมายความว่าเราจะต้องมันง่วงเป็นเหตุของร่างกายถ้าหากความง่วงนั้น คามมัวเหงาเกิดจากผลมาจากพระรูปต้องแก้ที่รูปนะครับแก้ที่นามเท่าไรก็ก็ตกยากแก้ที่รูปหมายความว่าคุณก็ต้องยีบให้มันคุณก็ต้องพักให้มันพออีแก้ที่รูปแต่จะไปทําที่แก้ที่นาพยายามตื่นตัวโดยแต่รูปมันไปไม่ไหวะครับเหมือนรถเนี่ยเราขับรถไปพอรถเสียมันก็ไปแก้ที่รถถ้ทาท่านี่เราขับดีเนี่ยแต่มันไม่ไหวอะ่ะ ถ้าทั้งใจขับเต็มที่แต่รถไปไม่ไหวแสดงรถเสียไปแก้ที่รถเขาไม่ใช่แก้ที่เรานะครับนี่เนี่อายางมันจะอ่อนหรือเปล่าหรือน็อตตัวไหนมันจะหลวมหรือแบตเตอรี่อ่อนหรือเปล่ามนชาร์จหรือเปล่าไฟไม่ติดอย่างเงี้ยต้องไปแก้ที่รถละเพราะฉะนั้นตัวอุปกรณ์ตัวนี่วอนต่างๆบางตัวต้องแก้ที่ที่รูปนะครับถ้าไปแก้ที่น้ำมันไม่ตกก็แก้ที่รูปนะอันนี้ส่วนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่เราจะเอาไปทํา ในวันนี้เพราะฉะนั้นแต่ละวันผมก็จะพูดถึงเรื่องว่าวันนี้เราจะทําอะไรวันนั้นปฏิบัติตัวไหนแล้วก็เหตุที่แก้ไม่ตกเพราะอะไรก็าหาสาเหตุออกแก้ไม่ตกพรง่วงแล้วผมก็พยายามแก้เต็มที่แล้วนะมันไม่ตกอ๋อคุณก็ต้องไปนอนเพราะอะไรจรึงทําให้ง่วงเพราะคืนคุณนอนไม่หลับเพราะอะเพราะอากาศเย็นราะงั้นวันนี้หาพ้กผมให้ก็แล้วกันอย่างเงี้ยเราจะแก้เหตุให้มันถูกต้องอย่างนี้นะแล้วมันก็จะแก้ไขได้ถ้าผมบอกว่าคุณต้องปฏิบัตินะคุณต้องตื่นตัวคุณต้องไม่ง่วงนะ อันนี้ผมก็ใช้ไม่ได้แล้วแสดงว่าผมรู้แต่ผลแต่ไม่รู้เหตุนะครับก็ต้องไปช่วยกันแก้ที่เหตุอย่างนี้เป็นต้นที่เราปัญหาทุกอย่างบางทีมันไม่ได้อยู่ในความสามารถของเราทั้งหมดก็อาศัยเพื่อนกรณีมิโกบาอาจารย์เข้าไปช่วยสำรวจอีกทีหนึ่งนี่เรียกว่าเราเพิ่มปัญญาให้แก่กันและกันถ้าเราไม่ไมานั่งพูดนั่งโซนแบบนีเราก็จะไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรตรงนี้เรียกเกิดสุตามายปัญญา พอการได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้เรื่องว่าอุอสาเหตุมาจากอะไรแล้วเราไปค่อยๆพิจารณาดูว่ามันตรงต้องตรงตามที่เราเป็นจริงหรือเปล่าคุณไปโอวมันตรงนี้เขาเรียกว่าเกิดจิตตามม ร, รรยาบรญยายนั่นั้นเราไปแก้ไขดูซิแก้ไขตกก็แสดงว่าเกิดภาวนาผมเอาไปแก้ไขแล้วมันไม่ตกแสดงว่าปัญญาที่เกิดจากการภาวนาไม่เกิดก็ต้องไปแก้ให้ถูกอีกนะครับอันนี้คือตัวปัญญาที่จะไปแก้ไขปัญหาเกิดมาจากสประการนี้ นึ่ต้องได้ยะได้ฟังสองเรานําไปพิจารณาให้ถูกต้องตกหลึกได้ค่อสรุปสก็คือลองเอาไปแก้ไขดูนะครับและตัวปัญญาทั้งสประการเกิดแก่ก็เกิดศรัทธาและการกระทําความเพียรที่เราทําอยู่นี่นครับควารักที่จะทําเรื่อยๆมันก็มีผลทำให้เกิดปัญญาแต่เราทำเรื่อยๆแต่ปัญญาไม่เกิดก็แสดงว่าการกระทําของเราก็มีอะไรผิดพลาดบางอย่างก็ไปแก้ที่การกระทําของเราอีก ผมก็ <c oughs> ทําทั้งวันแต่ว่าผมก็นั่งงงทั้งวันเหมือนกันอันนี้ปัญญาไม่เกิดใช่ไหมแ <c oughs> ทนที่จะเกิดปัญญาก็ไปเกิดปัญหาและนิวรณแล้วก็ไปตามแก่ไปตามแก้ที่เหตุของมันนั้นในช่งชวงเช้านี้นะครับก็เราได้ทำภา ร, รกิจอย่างน้อยก็สามอย่างและหนึ่งคือการออกกําลังกายร่วมกันสองคือการสวดบทสวดมนต์เพื่อการเป็นตัวบทในการศึกษาสามก็คือการได้มาสุนทนาได้เปลี่ยนแล้วก็ชี้แนะในการแก้ปัญหาประจวาวันแก่กันในกัน ก็ขออนุโมทนาครับ